นี้เป็นวันสุดท้ายของการเข้าพรรษาประจำปี2 5งันห้้เาเราก็เรียกวันออกพรรษาวันนี้นะยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปารนาอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พระเพราะว่าเป็นวันที่พระจะาำพิธีปารณาแก่กันปารณานี่แปลว่าอะไรนะทไมจึงเป็นมหาปารนาสำหรับวันนี้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 พระจะไปขอโยมให้ทำอย่างง้นอย่างนี้ขอให้ใส่บาตรนี่ขอให้หุงหาอาหารให้นี่ทาไม่ได้นะแล้วแต่ว่าญาติโยมจะศรัทธาแต่ถ้าญาติโยมคนไหนปรารณนากับพระรูปนั้นเอาไว้พระรูปนั้นก็ขอได้ไม่อาบัตนะิแต่ก็ขอได้เฉพาะกับโยมที่ป ร, รารถนาะถ้าโยมที่ไม่ได้ปรารณาก็ไปขอเขาไม่ได้ยกเว้นว่าใกล้ชิดสนิทสนมกันนะ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 วันนี้เนี่ยนะขึ้นสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำก็ตามเนี่ยพระก็จะสวดปฏิโมกเนี่ยขาดไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยวันออกพรรษาเนี่ยพิเศษนะสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยให้ป ร, รารนาตักกันนะไม่ต้องสวดปฏิโมกขเราจึงเรียกว่าวันมหาเวร า, านะพระเราเนี่ยมีพิธีอยู่สองอย่างนะตอนเข้าพรรษาแล้วก็อธิษฐานพ อ, อ, อพรรษาเราก็ป ร, รารนา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 จะอายุมากพันสามากจะเป็นเจ้าวาดก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้พระที่พันษาน้อยหรือว่าพระลูกวัดแม้แต่บวชพันศาเดียวทักท่วงได้นี่เป็นวิสัยของชาวพุทธนะผู้ใฝ่ศึกษาฝ่พัฒนาตนไม่ใช่ว่าฉันเป็นเจ้าอาวาสฉันมีพันศาเยอะส0 4สิ0สี่ห้าสิพันศาใครจะมาทักมาทวงไม่ได้อันนี้ไม่ถูกนะ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 ทำได้นะแต่บางทีก็มีความเข้าใจในหมู่พระว่ า, าเราเป็นพระพรนาน้อยจะไปทักท้วงพระพันศามากไม่ได้โดยเพราะท่านที่เป็นเจ้าวาอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะยิ่งได้ปรวาลนากันแล้วนี่จะ ก, กี่พันศาก็แล้วแต่นะนะจะเป็นพระที่ทรงสมณศักดิ์เป็นพระครูเป็นพระราชาคณะเจ้าคุณนี่ก็ต้องพร้อมที่จะให้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 หาพระท่านอื่นๆแม้พรรษาน้อยกว่าแม้จะไม่มีสัมมนาสังเนทักท้วงได้ตักเตือนได้ไนหะอันนี้เป็นวิสัยของชาวผู้เดืพระประสงค์นะที่มาบวชเพื่อการศึกษาพัฒนาตนอย่างที่พูดเมื่อช้าว่าเนี่ยเป็นเสข้บุคคลเสขบุคคลคือคนที่ต้องมีการศึกษาอยู่ถ้าตาใดที่ยังไม่เป็นพระรหรันยังต้องศึกษาต้องมีการพัฒนาตน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 เป็นครูบาอาจารย์ไอตัวมาเนี่ยมาณานี่ก็อาจจะมากด้วยเหมือนกันนะพอมีมาณาแล้วเนี่ยนะภาษาภาษาสมัยใหม่ลว่ามีอีโก้มีอัตตามันก็จะไม่ชอบให้ใครมาทักทวงพราะการทักทวงแปลว่าแสดงว่าเธอยังไม่ถูกเธอยังทําผิดตัวมาณานี่มันยอมไม่ได้มันก็ไม่พอใจคุณเครื่องอันนี้ธรรมชาติของทรารอนเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาเป็นคนที่ใฝ่ใฝ่ธรรม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 เราก็ทําตามอันนี้เราก็ก็เรียกว่าเสียผู้เสียคนนะหรือว่ า, าทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องรู้ทันนะว่าธรรมชาติของปุถุชนอย่างเราเร า, เราท่านท่านเนี่ยมันมีกิเลสตัวนี้อยู่ธรรมดาพอมีคนมาตําหนิเราเนี่ยถ้าเราเผลอเมื่อหล่ก็ก็จะโกรธนะก็จะไม่พอใจแต่ว่าก็อย่าให้มันคลองจิตคลองใจเรานานก็ให้รู้ทันมีสตินะ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 คลองจิตคลองใจเราน้อยลงนะมันก็จะอ่อนแอลงไปก็ทำให้เรากลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้แหละนะคือการบำเพ็ญธรรมที่ชื่อว่ามัทวะนะเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะทศพิ ร, รัชธรรมนะข้อนนึงคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมัทวะนี่แหละซึ่งเป็นธรรมะที่ในหลวงก็ได้บำเพ็ญมาและเราก็สมควรจะบาเพญ็ญนะ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 ยอมให้ว่ากล่าวได้ยอมให้ตักเตือนได้ยอมให้ทักทวงได้ที่นี่ก็เป็นประเพณีนะว่าถึงแม้เราจะไม่มีาการปารนนากับญาติโยมนะรวมทั้งแม่ชีแต่ก็ยอมให้ทักท้วงได้หลวงพ่ออมเขียนท่านก็ทำเป็นแบบอย่างมาแล้วนะอันนี้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นวิสัยของชาวพุทธทั่วไปด้วยนะไม่ใช่พระนะที่จะ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 ทำไมกลับบ้านดึกไม่ถามมาถึงก็ด่าเลยนะบางทีลูกอจะไม่สบายรื่อกจะมีเหตุผลก็ได้ฟังเอาไว้นะเมื่อพ่อแม่ฟังลูกลูกเวลามีปัญหาก็มาไลา่พ่อแม่ฟังหรือเวลาลูกทําตัวไม่ถูกต้องพ่อแม่พูดลูกก็จะฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีวันปารณานี้ก็อยากจะให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าความหมายนะถึงแม้เราจะว่าเราจะไม่ทําพิธีกันนะ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 ชอบพานักศึกษาไปช่วยโรงเรียนในชนบทสงเคราะห์หมู่บ้านที่ห่างไกลทำอยางนี้อยู่เป็นประจํามีคราวนึงก็พานักศึกษาไปช่วยสงเคราะห์โรงเรียนแถวแม่ห้องสอนไกลนะไปทําประมาณตั้งสามสวันก็เสร็จขากรมนี่เขาก็จะเดินทางไปจังหวัดตากต่อก็นั่งรถไปกับคณะนี่นักศึกษานี่แหละ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 โดนกระแทกอย่างแรงนะพี่การครึ่งตัวโอ๋เพื่อนๆนี่ก็มามาเยี่ยมเขาแล้วก็มาตัดพ้อให้เขาฟังนะพูดกับเขาว่าเนี่ยขนาดทําบุญยังต้องจะอุบัติเหตุเลยพูดมันก็ว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้นี่แกไม่มีความทุกข์เลยนะแกก็พูดกับคนที่มาเยี่ยมแล้วก็รวมทั้งบอกคนเหล่านั้นว่านะก็เพราะ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 มันยังไม่ยอมอยู่กับผมเลยนะจะให้เมียนี่อยู่กับผมได้ยังไงนะี่ยเมียทิ้งไม่ทุกนะเพราะอะไรนะเพราะว่าได้เรียนรู้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อน น, ะนั่นนว่าเออขาของเรานี่มันไม่ใช่ขาของเราเลยนะวันดีคืนดีมันก็ต้องไปเอาคนบางคนพอเสียขาคนนี้โอ้ยกุ้มอากุ้มใจ ย, ยิ่งเมียทิ้งยิ่ง อ, อ่าจะเป็นจะตายให้ได้อันนี้เพราะว่าไม่ได้มีใจเนี่ย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 ให้กับเราไม่ได้ก็ฝากเอาไว้นะในช่วงสุดท้ายของเทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณชาวบ้านทั้งบ้านใหม่ไทยเจริญบ้านกุดงงแล้วก็บ้านวังแคแล้วก็รวมถึงบ้านท่ามาไฟรวมทั้งชาวญาติโยมจากที่ไกลๆนาที่ได้มาช่วยหาอาหารมาถวายพระเอาปัจจัยสี่สองกทานมา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 ก็ขอให้ได้ประสบความสุขความเจริญขออ้างคุณพระศิลัตน์ไตราอา น, นวยเอื้ผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขพะพละเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทําความดีงามไม่ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาขอยอยู่เย็นเป็นสุขปลอดป้นจากความทุกข์มีปัญญาสามารถนําพาชีวยให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้ด้วยดีจนกระทั่งเข้าถึงความสุกเกษมสาร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 มีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิน